เอาสัรวมจิตใจดีๆนะอันนี้เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่ถ้านับตามลำดับนะเป็นสถานที่แห่งที่สามนะเมื่อคืนนี้เป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงปัสรุปเป็นแห่งที่สองแห่งแรกก็คือที่ลุมพินีวันนะที่ปัสสุที่ตัดสรุแล้วก็แสดง ปฐมเทศนาตรงนี้ก็เหมือนกับเรามายัางสถานที่ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนำธรรมะที่พระองค์ทรงตรัส ร, รู้แล้วก็มาส่งประกาศสิ่งที่พระองค์ตรัส ร, รู้มาเผยแผ่คําสอนของพระองค์เพื่อความหมดทุกข์เพื่อความสิ้นทุกข์ เพื่อดับทุกขออกไปจากจิตใจของเราเวในยสัตว์ทั้งหลายผู้ใดถ้าหากว่าปรารถนาที่จะดับทุกจากจิตใจของตัวเองก็ต้องตั้งใจฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็นำมาประพิตปฏิบัติตามซึ่งเป็นทางที่จะสามารถดับทุกขให้แก่ตัวเองได้อย่างแน่นอน เพราะว่าบุคคลที่นำคำสอนมาประกาศมาเผยแผ่เป็นบุคคลผู้ที่หมดสิ้นกิเลสแน่นอนสามารถดับทุกข์จา ก, กจิตใจอย่างแน่นอนดับทุกสิ้นเชิงแล้วก็มีผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์เข้าใจสามารถบรรลุตามได้เบื้องต้นเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคล คนแรกครั้งแรกก็ตรงนี้เลยตรงนี้จึงสร้างสัญลักษ์เอาไว้เรียกว่ารรเมฆขสถูปเป็นสถูปที่เป็นสัญลักษณ์ว่ามีผู้ที่สามารถฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจสามารถประหัดประหารเหล่ากิเลสออกจากจิตใจตัวเองได้เป็นครั้งแรกคือท่านัญญาโกณธัญะ อันที่จริงแล้วตรงนี้จึงเป็นเหมือนว่าเป็นที่ให้เราได้ระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอานุภาพแห่งพระธรรมนอกจากพระพุทธเจ้าจะตัดสุธธรรมแล้วก็ยังมีสาวกที่ฟังธรรมเข้าใจแล้วจิตใจน้อมตามธรรมเหล่านั้นคือฟังธรรมเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าฟังธรรม ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยแต่ว่าปัญจวัคคีเนี่ยเป็นฤาษีเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิแ น, แน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นฟังธรรมมันก็เลยฟังง่ายเข้าใจพอพระพุทธเจ้ามาต่อยอดให้ก็สามารถบรรลุตามได้แต่พวกเราเนี่ยยังเป็นเครือขัดเนี่ยถ้าพูดถึงครหัดมีเวลาผู้เจ้าแสดงธรรมแก่เครือขัด พระพุทธเจ้าจะจะแสดงธรรมตั้งแต่ต้นก่อนเขาเรียกว่าอ น, นุบุพิกถาคือแสดงธรรมไปตามลำดับเนี่ยในบริเวณนี้ก็ยังมีสถานที่ที่พยศะซึ่งสมัยนั้นยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เป็นบรรพชิตอลายังคองเรือนอยู่เลยนะแล้วพอหลังจากที่พระพุทธเจ้านี่โปรดปัญจวัคคีย์ แสดงธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็มียะคนต่อมาเนี่ยยะเนี่ยยังเป็นโยมอยู่เลยนะแต่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายคือคือคงจะพอได้ยินเรื่องราวของพระยาศานะแต่ว่าเราจะพูดย่อๆนะว่าคือยะกุลบุตรเนี่ยก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีก็มีเงินมากพ่อแม่ก็อยากให้คองเลือนอก็ พยายามที่จะให้บำรุงบำเลมีผู้ที่คอยบำรุงบำเลปนิบัตริรับใช้เดี๋ยววให้บริโภคกรรมอย่างเต็มที่เลยแต่ด้วยวิสัยของยศในสมัยนั้นะ่ะก็เคยบำเพ็ญมาเคยปฏิบัติมาก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เบื่อหน่ายได้อย่างพวกเรานี่ก็ต้องเคยปฏิบัติมาเหมือนกันนะมันจึงมีจิตใจที่ศรัทธาเลื่อมใสะ อยากจะมาตามดูล่องลอยแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามาเดินตามลอยพระบาทของพระองค์มายังสถานที่จริงก็เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มันมีความศรัทธาเลื่อมใสให้มันมีกำลังใจอยากปฏิบัติตามพระองค์ไป อย่างเรามาเนี่ยถ้าหาวามาแล้วเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจของเราอยากให้เราเนี่ยปฏิัติ ป, ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้ก็แสดงว่าบรรลุปเป้าหมายของการมาแล้วหรืออย่างน้อยเรามาเนี่ยถ้ามีจิตใจเบิกบานมีความอิ่มเอิบระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันเราสัมผัสได้กับสิ่งแวดล้อมทางจิตใจเนี่ย เวลาเรามาแล้วเราจะมีความรู้สึกเบิกบานกว่ากันมีความอิ่มเอิบมากกว่าหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้มันมีความรู้สึกแตกต่างไปจากธรรมดามันก็จะเกิดความอิ่มเอิบเบิกบานเขาเรียกว่ามีปลาโมดมีปีติแล้วมันมีความลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจ มันมีความซาบซึ้งทางจิตใจลึกซึ้งทางจิตใจนี่แหละมันเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงพยยากรเอาไว้ว่าถ้าใครได้มายังสังเวชนิยสถานอันเนี้ยสถานที่เหล่านั้นอ่ะมันจะเป็นสถานที่ที่กระตุ้นเตือนให้เรา ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าและลึกถึงพระธรรมและลึกถึงความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาตินี้ถ้าหาว่าจิตใจของเราน้มและลึกไปถึงความจริง อยากจะประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเห็นว่าชีวิตเนี่ยอยู่ไปมันก็มันก็เหมือนไม่มีอะไรอ่ะอยู่ไปวันวันหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาจําเจถ้าเรามองเห็นว่าชีวิตเนี่ยเมื่อตายไปแล้วมันก็เอาไปอะไรไปไม่ได้เกิดความซาบซึ้งลึกซึ้งขึ้นมาระดับใดก็ตามนะถ้าหากว่ามันน้อมไปในทางที่ศรัทธาเลื่อมใสอยากปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า มันจึงสามารถนำพาจิตวิญญาณของเราเนี่ยไปสู่สุคติได้หรือว่าเอาเรามาปฏิบัติได้มากได้น้อยไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่ามันเป็นการสร้างสมบา ร, รมีผู้ที่ได้มากก็ไม่เป็นไรเป็นส่วนของคนคนนั้นไปเราได้ขนาดไหนก็เป็นบุญเป็นบา ร, รมีของเราสั่งสมไปสิ่งที่เรามาพบมาเห็นนี่มันก็กระตุ้นเตือนจิตใจของเรา ลุกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้พบชาติของเราต่อไปเราก็จะเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสอยากประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดชาติไหนเราก็ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพอใจที่จะปฏิบัติตามได้ยินว่าเออมีที่ไหนเขาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันเราก็พอใจปฏิบัติ หรือว่าไปแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนชาตินี้ที่เราเดินทางมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะคนที่จะได้มาเนี่ยมองดูดูแล้วมันก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรที่พิเศษมันทําให้มีโอกาสได้มาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญของบา ร, รมีที่เราเคยสั่งสมอบรมมาเหมือนกันเพราะว่า มีโอกาสเราก็ต้องได้เดินทางจากประเทศไทยอย่างเงี้ยกว่าจะมาได้เราก็ต้องโอ้ยแสวงหาโอกาสนะคอยเวลานะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าใช้ความเพียรความพยายามอดทนใช้ความมุ่งมั่นบากบานเหมือนกันกว่าจะมาได้อันนี้ก็ต้องเป็นบุญเป็นบารามีเหมือนกันเพราะนั้นยาศากุลบุตรเนี่ยเขาก็มีบุญบารามีของเขา เพราะว่าถึงจะมีความสุขความสบายขนาดไหนก็ตามมันก็มีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่เขาคงจะเหนื่อยเมื่อยล้าก็พอเย็นมาก็จะมีการประโคมโดนตีล่องลำทาเพลงมีการป้อนอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรสะ เ, เสวยเสพเสวยเข้าไปอาจจะมึนเมาบ้างเหนื่อยเพลียบ้างก็หลับไปทีนี้หลับเนี่ยตามปกติเขาก็รื่นเลิงบันเทิงบึกื่นะ่ะ แต่วันนั้นมันเหนื่อยมันเพลียมันอ่อนล้าก็หลับไปหลับตั้งแต่หัวคำ่ำพอหลับไปแล้วนางสนมกกำนันอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นบริวารคอยปนเปรืออยู่เนี่ยพอเห็นว่าเจ้านายหลับแล้วตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าต้องเต้นร้องลํำทําเพลงบิดสีตีเป่าอะไรสารพัดเนี่ยพอเห็นเจ้านายหลับก็ต้องเอยนบ้างหลับไปบ้างทีพอตื่นมาดึกดกอะ่ะ เห็นบริวารของตัวเองนอนทีนี้ต่างคนนอนมันก็คนนอนหลับอะ่ะมันก็ท่าทางอะไรมันก็สเปสะปปสปะาปายไปยปล า, ายมาก็มีโดนตีกว็วางที่คอบ้างวางบนหัวบ้างวางห่างไปจากตัวบ้างเสื้อผ้าอะไรมันก็หลุดลุ่ยบ้างน้ำลายมันก็ยืดบ้างทีนี้ยาศาสตร์กุะบุตรมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้โหน้าเบื่อหนายอะ่ะ ว่าทำไมมันทำไมเป็นอย่างนี้เคยเห็นแต่ความสวยความงามความลื่นเลิองบันเทิงอะ่ะพอมาเห็นมันบรรยากาศมันน่ามันไม่น่าดูอะ่ะเสียงกรนบ้างคือมองไปมันเหมือนซากศพไปเลยอะ่ะมันไม่เหมือนผู้เหมือนคนอะ่ะเราเราเรานึกถึงเวลาเวลาเราเห็นคนหลับอย่างบางทีเราเดินผ่านไปเมื่ออย่างเมื่อคืนนี่เดินผ่านไปบางคนเข้านอนคงเด็กเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ได้สนใจตัวเองเลย คือมันเหนื่อยมันเพียขอให้เดินหลับไปก็พอแล้วทีนี้เวลามองดูอ่ะมันก็เหมือนคนตายอ่ะมันไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะพิจารสกุบุญก็มีความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะเหมือนซากศพเหมือนป่าชาฤฤฤฤฤฤ้าผีดิบแบบเพราะว่าเขาก็เคยเรียนศึกษาไอเนี่ยอสุภกรรมฐานเนี่ยเกี่ยวกับป่าช้าเนี่ยไปดูซากศพในป่าชา้ารายได้อารมณ์ของอสมถะมาแล้ว มันก็เลยเนี่ยของเก่ามันก็ทําพอมาเห็นบรรยากาศอย่างนี้ของเก่ามันก็เลยเปิดขึ้นมา <you> มันก็เกิดความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายเนี่ยไม่รู้จะพึ่งอะไรละมันเกิดความเบื่อหน่ายเรานึกถึงว่าเวลาเราเบื่อนหน่ายอารมณ์บเบื่อนหน่ายมันเข้าไปครอบงามจิตพอครอบงามจิตแล้วมันอยู่ไม่ได้มันกังวลกวายมันไม่มีความสงบไม่มีความเป็นปกติในจิตใจคือพวกอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าหาว่าใครเรียนรู้ศึกษาเห็นอารมณ์ูมินี้รับเข้ามาเนี่ยมันปฏิเสธทันทีเลยนะไม่ไม่รับเข้ามามันก็จบนะนี่นี่อาจสะจัณธรรมะครูเจ้าเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษายังเข้าไม่ถึงเนี่ยแค่อารมณ์เนี่ยมันก็เข้ามาครอบงําจิตแล้วอันที่ยิงความเบื่อเนี่ยมันทุ่งเข้ามามันทุ่งเกิดนี่อันนี้อันนี้มันก็เป็นคติอันหนึ่งนะเวลาเราเกิดอารมณ์โกรธเืองบ้างหงุดหงิดลาคาญบ้าง เกิดความไม่พอใจบางมันทุ่งเกิดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ทันเฉยๆนะเพราะเราการฝึกฝนอบรมของเรามันน้อยมันก็เลยไม่ทันพอมันไม่ทันมันก็เลยคิดว่าเป็นของตัวเราเป็นของเรานีน่คือความลุ่มหลงนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าคนไม่ปฏิบัติมิพูดกันแบบนี้มันไม่รู้เรื่องหรอกไม่เข้าใจมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่เราแล้วใครอะ่ะใครเบือ่อ แต่ว่าความเบื่อกับตัวเราตัวจิตที่มันไปยึดความเบื่อนั้นว่าเป็นเราเนี่ยมันคนละตัวกันเพราะนั้ น, นยาศาสต์คุณบุตรก็มีความหลงอย่างนี้เหมือนกันแหละก็พอรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เดินออกมาจากปราศาสตรเดินเปิดประตูมาเองแล้วไหนนั้นก็บรรยายไว้ด้วยนะ้ะในพระไตรปิฎกนี้อัตตกระฐานเขาบรรยายไว้ว่า พวกอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคอยป้องกันนะอ่ดูสิถ้าคนที่คิดดีเนี่ยฝ่ายดีก็มาสนับสนุนนะคอยสนับสนุนป้องกันไม่ให้ใครมาขัดมาขวางละ่ะเนี่ยเหมือนกับเปิดทางให้หมูละเดินตรงมายังสถานที่นี่เลยมาหาพระผู้เจ้าเลยอาผู้เจ้าก็ตรวจดูก็รู้ละเนี่ยยสากุลระบุกําลังเดินเดินมาแล้วเดินมาพร้อมกับบ่นมาและ้ะเพราะว่าคนกําลังมีความทุกข์นี่นะกำลังเบือ่อนน่าย ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอคือจิตอะ่ะมันวุ่นวายมันขัดข้องมันเดือนหนายอะ่ะมันไม่มีที่อยู่อะ่ะผู้นี้อ่ะมันต้องการที่พึ่งแต่ว่าเดินมันก็แปลกว่าตรงมาหาพระพุทธเจ้าเลยแล้วผู้ย่อก็ประทับรอเมื่อกี้เดินมาก็ยังคุยกันอยู่ว่าเอเอตรงไหนนะที่ยัสสกุลบุตรอะ่ะบรรลุธรรมพอเดินมาแล้วพระเจ้าก็ไปประทับรอเลยพอเดินมาแล้วก็เขาก็บ่นมา คนกำลังมีความทุกข์อ่ะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่ขัดข้องเนอที่นี่วุ่นวายเนาะไปเรื่อยแต่ผู้ชายีนสวนออกไปเลยนะที่นี่ไม่ขัดข้องเนอไม่วุ่นวายหนอเข้ามาเถิดเราจะแสดงทําให้ฟังนะขณะที่จิต ก, กําลังวุ่นวายอยู่กําลังมีแต่ความขัดข้องขุ่นเคืองอยู่ในใจอะ่ะเหมือนไม่ได้ใจอะ่ะถามว่าพระอรหันต์มีไหมไอ้พวกอารมณ์พวกนี้มีเหมือนกันนะแว๊บ แต่ว่าท่านทันตั้บแล้วก็ไม่ให้มันเข้าสู่จิตใจนี่ไม่ใช่ไม่มีนะนี่มันก็แปลกดีนะแวบขัดข้องแต่ไม่เอาเฉยๆมันก็ดับข้งมันไปอย่างนั้นแหละนี่อารมณ์พวกเนี้ยถ้าหากว่าจิตเราไม่เห็นไม่ทันมันเนี่ยมันจะต้องยึดอารมณ์พวกนี้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นคนเรามีความทุกข์เนี่ยมันง่ายมากเลยนะอารมณ์แวบเข้ามานิดเดียวไอ้นิดเดียวตรงนี้แหละ ที่มันสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แกมนุษยชาติให้แกสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาแต่ถ้าใครมีสติสัมปชัญญะ เ, เห็นอาการของจิตที่มันวับขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยแล้วไม่ไปยึดมันปล่อยให้มันดับไปนี่แหละคือปัญญาที่มันที่ที่ต้องอาศัยปัญญาญาของพระพุทธเจ้าจึงจะสามารถอย่างรู้ความจริงอันนี้ แล้วจึงจะสามารถนำมาเปิดเผยให้เราสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติเข้าไปถึงเนี่ยทุกมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ไะยึดอารมณ์ทั้งหลายให้มันมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราจิตก็เลยว่างเปล่าจิตก็เลยอยู่เฉยๆดูเฉยๆอะไรผ่านมาก็เดี๋ยวก็ดับไปมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะ นี่แหละที่ที่มันเป็นเราเป็นเราอยู่นี่มันเป็นเกิดจากความหลงเท่านั้นเองนี่ผู้เจ้าท่านทะลุแล้วเนี่ยท่านจึงไม่กลัวหรอกใครเดือดร้อนใครขัดข้องมาเลยเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังยาสากุลระบุตรก็พอได้ยินอย่างนั้นก็เกิดความลิงโลดเบิกบานใจว่าเออเรานี่กําลังขัดข้องกาลังวุ่นวายแต่มีผู้บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องเนาะเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟัง เนี่ยก็แวะเข้าไปเข้าไปผู้เจ้าก็เริ่มแสดงธรรมแสดงธรรมตามลําดับว่าเออคนเรานี่นะถ้าหาว่ามีโอกาสได้ทําบุญทําทานทำคุณงามความดีเนี่ยจิตใจมันก็จะเบิกบานอิมอ่มเอิบนะมีความสงบมีความสุขนะทีนี้ยาศาสตร์วุลบที่เขาก็มีมีธรรมชาติเหล่านี้อยู่พอผู้เจ้าเริ่มแสดงเรื่องทานใจก็เบิกบานอิมอ่มเอิบเนี่ย เหมือนพวกเรานี่ก็ไม่เหนื่อยเห็นไหมก็พากันมาเนี่ยโอต่างก็ยินดีในการให้การถวายทา น, นข้าวปลาอาหารดูแลมีโอกาสก็ทําบุญชุนทานกันในเนี่ยเนี่ยมันมีก็พีพื้นแบบเดียวกันนั่นแหละเราก็เคยทํามาเหมือนกันเนี่ยเรื่องทานแล้วก็อันเนี้ยมันก็มีผลมีผลก็คือว่ามันสามารถทําให้ไปสุขติได้ไปสวรรค์ได้ไปสุขติได้ แต่ว่าอานิสงของขมันเนี่ยมันคือทำให้ใจเราเนี่ยเบิกบานอิ่มเอิบแล้วมีความสงบมีความสุขความสบายเป้าหมายของพระเจ้านี่ต้องมีสติรักษาใจง่ายนี่มันต้องต้องถ้าเป็นผู้เจ้าแล้วจะต้องจะต้องสูงขึ้นไปอีกแล้วพระเจ้าก็ว่าก็สอนต่อไปอีกว่าศีลเนี่ยก็มีผลดีต่อจิตใจเหมือนกันเพราะนั้นถ้าใครสำรวมระวังกายวาจาไม่ไปล่วงเกิน กายทางกายก็ไม่ไปกระทำให้มันมันเบียดเบียนสัตว์อื่นทำร้ายสัตว์อื่นเนี่ยหรือว่าทางวาจาทางคำพูดก็ไม่ไปพูดใส่ร้ายป่ายสีอะไรกันไม่โกหกไม่กล่าวเท็จอะไรเงี้ยคือพระเจ้าก็พูดพูดเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันมีความสงบอ ะ, อะเรื่องกายก็อา้า ตั้งแต่ไม่ไปฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ไปฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ไปลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางคำพูดก็ไม่พูดจาเสียดสีกันไม่พูดโกหกพูดแต่สิ่งที่มันเป็นความจริงเนี่ยก็พูดอธิบายไปให้ฟังว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าต่อจิตใจเช่นเดียวกันรวมทั้งการไม่ไม่ดา่าไม่ทอไม่พูดจาหยาบคายทาให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อน รวมทั้งไม่พูดเพ้อเจ้อพูดสิ่งที่มันมันไม่เป็นธรรมอ่ะพูดเรื่องเรื่อยๆเปื่อยๆคนฟังก็ไม่ได้ประโยชน์ตัวเองก็เสียประโยชน์เสียเวลาบางทีคุยกันไปคุยกันมาพอจบแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะพูดไปตามความเมาความมันเฉยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะนั้นมันก็ พอพูดมาอย่างนี้ถ้าหาว่าเราสำรวมระวังเข้ามาเราก็ตั้งใจที่จะไม่ทำพอตั้งใจไม่ทำจิตใจมันก็เบิกบานอิ่มเอิบสงบร่มเย็นขึ้นมาสติก็รักษาใจง่ายเหมือนกันนี้เป็นอนิสงส์ส่วนผลของการรักษาศีนี่พระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยมันมันมันทำให้ไปสู่สวรรค์ได้สุคติได้เป็นที่หมายแต่ว่าสวรรค์นเนี่ยมันก็มีข้อจากัดอะ ถึงเกิดเป็นเทวดาเอาไปสวยผลบุญก็จริงนะแต่ว่าพอหมดบุญแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็มีทั้งนรกเกรตาสุรกายสัตว์เดบลฉานมนุษย์เทวดาก็เวียนไปเวียนมามันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอย่าเกิดแล้วก็ตายตายไปก็เอะไรไปไม่ได้เกิดมาก็มาตัวเปล่ามาก็ยึดติดข้องหลงหลงชีวิต เรามองดูสัตว์นะคะือคืออ้าเราเราเรายังไม่มองดูเราก็ได้มองดูสัตว์โอ้โหสัตว์นี้ม응ันก็ลุ <k <k ่มหลงเลยเพลิดเพลินเจริญใจของมันนะอย่างนกนี่ที่มันร้องนั่นมันก็ร้องด้วยความรื่ดเริงบันเทิงนะเรียกหาคู่ของมันนะอเหมือนประกาศเอาฉันอยู่นี่นะมานะมาหาฉันตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะคล้ายๆคนเรานี่แหละมันก็ร้องเรียกกันเรียกหาคู่กันเนี่ยคือคือมันหลงอ่ะเพลิดเพลิน หรืออย่างยังโดยเฉพาะเทวดาที่เป็นมารนี่นะเทวดาที่เป็นมารเนี่ยมันหลงมากเลยนะพวกชั้นสูงสุดเลยนะปารานิมิตาวสวรตีเนี่ยพวกนี้เขามีความสุขเต็มที่เลยนะไม่ต้องนึกเองเลยนะคือเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยในในระบบของธรรมชาติเหมือนมีผู้รู้ใจของเขาเลยนะนมีลรมิตรสิ่งที่เขาปรารถนาขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วก็เสพสวยอย่างเต็มที่เลย ไม่ว่าจะนึกอะไรขึ้นมานึกขึ้นมาคนอื่นเขาจะในรมิดให้หมดเลยคือมันเหมือนกับว่ามันในในในชีวิตเนี่ยต้องการอะไรอะ่ะว่าอะไรที่มันจะทมให้เป็นสุขได้เนี่ยมันจะมีผู้ในรมิดให้หมดเลยเพราะผู้นี้จะหลงสุขชนิดที่แบบโงหัวไม่ขึ้นเลยเพราะถ้าใครจะออกจากการามเหล่านี้เขาเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเขาจะเจ็บปวด เพราะนั้นเขาทนไม่ได้เขาจะต้องคอยตรวจสอบดูว่าเออใครนะที่จะออกจากกรรมโดยยฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงถูกธรรมชาติเหล่านี้รบกวนเหมือนกันถ้าใครจิตใจไม่เข้มแข็งเนี่ยเสียท่าง่ายๆเหมือนกันนะหลงไปตามเลยนะบางทีเขาเอานั่นมาลอ่อมาหลอกมายั่วมาเย้าเราก็จะคอยตามไปอะ่ะหยิบยื่นกรรมมาบ้างหยิบยื่นเรื่องดีๆมาลดอร่อยบ้างเสร็จแล้วก็ตีกลับทีหลังเลยนะพลิก เปลี่ยนทันทีแล้วเราก็จะมาเสียดายทีหลังเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่ท่านรู้เรื่องนี้ดีท่านถึงบอกว่าดูก่อนมานเรารู้จักท่านเสียแล้วท่านถูกเรากำจัดแล้วคําว่ากำจัดในที่นี้คือจิตไม่หวั่นไหวเลยอะจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยอะถ้าใครเข้าหาจิตได้แล้วก็รักษาจิตชนิดที่มั่นคงเลยนะกระแส จ, จิตไม่มีหวั่นไหวไม่มีไหลออกไปเลยอะ มือนแน่นปึกเข้ามาอยู่ในจิตเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินไรเราจะเห็นกระแสของมารเนี่ยชัดแจ้งชัดเจนเขาทําอะไรไม่ได้เขาก็อยู่ของเขาไปแต่อานุภาพของพระเจ้าเนี่ยคือมารเนี่ยต้องหนีไปเขาจะเสียใจแล้วก็หนีไปเพราะอะไรเพราะทําอะไรไม่ได้ตัวเองพ่ายแพ้แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ไปทําอะไรมารท่านถูกเรากําจัดแล้วเกําจัดในที่นี้คืออยู่กับจิตตัวเองเนี่แหละมั่นคง เพราะนั้นถ้าใครไม่อยากเสียท่ามันก็ต้องเข้ามารักษาจิตตัวเองทำจิตให้แน่วแน่เลยนะไม่ยินดีไม่ยินยไนลกับสิ่งใดเลยอันนี้หมายว่าในขณะที่เราเราเข้ามาหาจิตเนี่ยบางคนก็คิดว่าถ้าเข้ามาหาจิตแล้วจิตไม่ยินดีไม่ยินไลก็คือไม่เอาอะไรเลยอะ่ะอันนี้มันคิดผิดอะ่ะมันเข้าใจผิดหมายของว่าอะไรเกิดขึ้นรักษาจิตเอาไว้แน่วแน่แต่เวลาธรรมดาเนี่ยก็คือดูแล มีข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยก็ดูแลไปเนี่ยตามฐานะของเราเราเจงยังเป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยควรทำยังไงก็ทำไปดำเนินชีวิตไปแต่ในใจของเราเนี่ยพยายามที่จะให้เป็นกลางพยายามที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็รู้มันจะรู้ว่าอะไรควรทำก็ทำอะไรไม่ควรทำก็ไม่ทำอะไรทำแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษก็ไม่ทำเชียมันมีกำลังมันสามารถบังคับควบคุมตัวเองได้ แต่ถ้าหาว่าเราไม่สามารถรักษาจิตเราได้อ่ะจิตมันซัดสายอ่ะสัด ส, ส, สายเดี๋ยวก่อไหลไปกับอารมณ์อยากต้องยินดีบ้างยินร้ายบ้างโอดบ้างหงูหงิดบ้างลาคาญบ้างขุนเคืองบ้างเราก็เลยเหมือนกับเป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นตัวของตัวเองนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์มันจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่สามารถควบคุมจิตได้ ทีนี้ผู้เจ้าก็สอนเรื่องสวรรค์มันก็ยังมีอายุจำกัดอยู่ถึงจะไปสเสวยผลบุญขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องตายตายเมื่อตายไปแล้วก็ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมแต่คนที่เป็นมนุษย์หรือเทวดานี่ส่วนใหญ่ตายแล้วไปนรกเนี่ยดูสิขนาดพู้เจ้ายังพูดอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะามันมีความลุ่มหลงมากแค่จิตใจเหมือนลอยเนี่ยมันก็ดากุศมันก็เข้าแล้ว เพราะความหลงมันครอบงําแล้วเนี่ยมันจึงง่ายมากเลยนะที่จะไปอบายภูมิเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจริงประมาทไม่ได้เลยแล้วพระเจ้าก็สอนด้วยว่าเออนะถ้าว่าหากว่าเราเราเนี่ยอยู่ในกามภูมิเนี่ยกามภูมิก็มีอบายภูมิสแล้วก็มนุษยภูมิหนึ่งแล้วก็เทวโลกอีกหชั้น นี่ล่ะเขาเรียกว่ากามมาพบหรือกามมาภูมิพวกนี้จะเสวยกามนึกถึงแต่กามเนี่ยการที่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกเราเนี้ยก็คือติดข้องในกามไอ้การมที่พระเจ้าบอกว่ามันสุดน้อยอ่ะแต่ทุกโทษมันมากเพราะอะไรเพราะเราหลงยึดติดข้องมันเมื่อไหร่ มันพาเราเวียนว่ายตายเกิดพาเราทำโน่นทํานี่มากมายเลยนะอารมณ์ขึ้นๆลงๆก็นี่แหละพอเราไปยึดไปติดไปคล้ อ, องพวกกามนี่แหละคําว่ากามเนี่ยมันก็หมายถึงว่าลูกเสียงกลิ่นรสแล้วก็โผฏฐพะเราอยากจะเอามาทําให้เราเป็นสุขเขาจึงเรียกว่ากามมาสุขความสุขที่เกิดจากกาม ความสุขที่เกิดจากรูกเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่มากระทบทางกายหรือผลธรรมะมากระทบทางกายอันนี้ผู้เจ้าบอกว่าสุขน้อยแต่ว่าโทษมากโทษคืออะไรพอเราไปยึดไปจิตไปคล้องแล้วเราพาวันวนเวียนเราเป็นทาตมันเลยอะ่ะผู้เจ้าสอนให้หาทางออกจากกรรมเอาจากกรรมหนันหันมา ทำสมาธิมีสติรักษาจิตใจของตัวเองแล้วก็ทําจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็จะสงบสงบัดบางคนก็ถึงฌานก็มีฌานสมาบัติหรือบางคนก็เมื่อใจสงบแล้วมีสติรักษาใจมั่นคงแล้วเห็นความจริงขึ้นมาให้นารมเกิดแล้วก็ดับ เห็นสิ่งทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอย่างนี้จิตค่อยๆปล่อยวางไปนี่ก็เป็นเนฆขมสุขเหมือนกันหมายว่าความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกรมเป็นความสุขที่ออกจากกรรมไม่พึ่งกรมแต่ผึ่งจิตใจที่มีความสงบสงัดมีความลึกซึ้งอยู่ภายในเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายได้นี่เราลองเทียบนะเวลาถ้าคนไหน ถ้าเวลาที่เราจิตเป็นสมาธิเราไม่ได้พึ่งกามอะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันอิ่มเอิบมันเบิกบานมันเบามันโลง่งมันโปร่งมันสุขมันสบายของมันเองโดยธรรมชาติเลยนะหรือว่าเอาต่อไปอีกถ้ายิ่งสามารถบรรลุมรรคผลได้นะแค่พระโสดาบันบุคคลเนี่ยเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าโอ้ความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยนะเท่ากับภูเขานะ แต่ความทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยเท่าขี้เล็บอ่ะโอ้โหมันน้อยลงไปเยอะเลยนะเพราะอะไรผู้ที่บรรลุพระโสดาบันเนี่ยคือเห็นความจริงแล้วเห็นว่าเอออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันผ่านมาผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความยึดมั่นถือมั่นมันลดลงไปอ่ะอุปาทานมันลดลงไปความเป็นตัวตนตัวเราของเรานี่อัตราเนี่ยมันน้อยลงอ่ะพอมันน้อยลงมันก็ไม่ไปหวังเอาอันนั้นอันนี้มาทับถมจิตอ่ะ ทำให้จิตมันเป็นทุกข์อ่ะมันเป็นทุกข์ก็เพราะจิตของเราเนี่ยมันไปเอาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาและก็มาบีบพันใจมาทับโมจิตใจของเรามันก็เลยมีทุกข์แล้วที่สุขที่สุดก็คือนิพพานสุขเลยหมายว่าผู้ที่บรรลุเป็นพธิสัตหมดสิ้นกิเลสนั่นเป็นนิพพานสุขความสุขสูงที่สุดเลยเพราะเวลาพระพุทธเจ้าสอนคนธรรมดาอย่างสอนยศกุลระรบุเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ บ่าเออทานเนี่ยมันก็มีผลนะมีอนิสงฆ์นะผลบุญนนเกิดอยู่แล้วล่ะไปสุคติแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอนิสงฆ์ของมันก็คือใจเรานี่แหละนย่าทำเพื่อจิตใจเนี่ยคนฟังเนี่ยก็ทานก็เคยทํามาเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้เออเวลาทําแล้วใจมันสบายอ่ะใจมีความสุขพอมันสุขแล้วมันก็เป็นสมาธิง่ายพอมันเป็นสมาธิแล้วอ่ะจิตใจเนี่ยมันก็มีความสุข เพราะอเพราะว่าอารมณ์ที่เคยครอบงำจิตอะ่ะมันดับไปมันสลายไปมันหมดไปทีนี้พอพูดเรื่องศีลถ้าใครรักษาศีลเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออใจเข้มแข็งขึ้นมาแล้วสิ่งที่รบกวนจิตใจที่มันเกิดจากการกระทําไม่ถูกต้องของตัวเองเนี่ยทางกายก็ดีทางวาจา ก, ก็ดีมันละงับไปโอ้มันเบาวกว่ากันเลยนะทีนี้ผลของมันน่ไปสวรรค์แต่ว่าถ้าใครเข้าใจว่าเออ สวรรค์เนี่ยมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมอ่ะมันก็มีข้อจํากัดเหมือนการอายุขก็สั้นยิ่งบางทีมันพอไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมันไปเสบยคนบุญมันสุขสบายหลงเลยหลงความสุขสบายเลยนี่เรามันจึงตกนรกง่ายๆเลยนะอุปทานมันเยอะมากเลยเพราะมันลืมเลยว่าเคยเกิดเป็นสัตว์นิรชาต เป็นสัตว์นโลกเปรตอสูรกายแล้วแล้วเหล่าเหล่าแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเออเราก็เคยเป็นอย่างเขาอย่างนี้มันมันมันมันใกล้แล้วเนี่ยคนที่คิดได้เนี่ยมันจะเบาลงแล้วมันจะทําให้เราไม่ประมาทนะตีนี้มันลืมไปนะสิพอเรามาเกิดปั๊บเนี่ยเข้าไปในท้องแม่ปั๊บมันจะลืมหมดเลยเนี่ยคนที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยเกิดเป็นสัตว์เนี่ยมันจะลืมพอลืมแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเ๊ยเราเราไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกับจะเป็นคนตลอดไปเนี่ยมันหลงอ่ะ มีความหลงมันครอบงําเลยอ่ะแต่จริงๆไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเราเคยเป็นมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นไปไหนมาไหนมันมันเห็นใครเข้าใจ ใ, ใครรู้ว่าเออเราก็เป็นอย่างเขานี่แหละเราเคยเป็นมาแล้วอย่างมาอินเดียเราก็เคยเป็นอย่างพวกเขาเนี่ยเคยเรีนยนใบใจเกิดอยู่แถวเนี้ก็มากไม้ไปที่ไหนที่เราไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่มีด้วยเนี่ยพระเจ้ารับรองไว้อย่างนั้นนะนี่ถ้าเอาว่าใครคิดได้อย่างนี้มันก็จะรู้สึกได้ว่าเราไปที่ไหนมันก็ เออมีญาติมีพี่มีน้องขึ้นอยู่กับความหลงหรือไม่หลงเท่านั้นรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองถ้าใครรู้ก็หาทางก่อนหาทางออกแล้วถ้าใครไม่รู้ก็หลงต่อไปอีกมันมันมีอยู่แค่นี้รู้หรือไม่รู้หลงหรือไม่หลงถ้าไม่หลงก็เออมันก็ออกเป็นอิสระได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาที่นี่ก็มาประกาศธรรมะเพื่อให้คนเนี่ยเป็นอิสระด้วยอาศัยธรรมะของพระองค์อันนี้ก็พูดอนุบุริกถา คือพอสอนมาถึงเนี่ยให้เบื่อในากามแล้วก็มายังเนคข ม, มะสุขเพื่อออกจากกามก็คือว่าการที่มาเจริญทำสมาธิทําจิตให้สงบสงับจากอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ให้จิตตั้งมั่นรู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเห็นว่ามีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจนกําลังมันมากพอจิตค่อยปล่อยวางออกไปปล่อยวางออกไปเสร็จแล้วจิตจะสรุปเนีย่ยสรุปนี่คือบรรลุอริยสัจสี่ เพราะนั้นพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมก็คือหลักธรรมที่สําคัญก็คือเพื่อให้สาวกของพระองค์เนี่ยบรรลุอริยสัจ ส, สีพเพราะนั้นธรรมะครั้งแรกที่ทําให้คนบรรลุอริยสัจสีก็คือบริเวณที่เรามาตรงนี้ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ที่เป็นอนุสร์เพื่อให้คนที่มากราบมาไหว้ได้รับลึกถธรรมะที่สําคัญที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรกคืออริยสัจสี แต่ทางที่จะทําให้บรรลุอริย ส, สัจสีเนี่ยเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แคือทางสายกลางอริยมรรคองค์8ปดนี่มันจะทําให้จิตเป็น ก, ากลางๆได้อย่างเราปฏิบัติเนี่ยเราทุกคนที่มาเนี่ยต่างคนก็เคยปฏิบัติมาแล้วพอเราเริ่มมีสติเอาสติรักษาจิตใจเอาไว้จิตใจเราก็เริ่มที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาจิต ก, ก็เริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละคน เมื่อมีสมาธิเนี่ยอารมณ์อื่นๆเนี่ยมันก็ไม่รับเข้ามาแล้วเพราะว่าคําว่าสมาธิก็คือจิตที่มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมีอารมณ์เดียวมันก็มาจดจอมีอารมณ์เดียวอยู่ภายในหรือแม้แต่เราเนี่ยฟังธรรมะก็เหมือนกันนะเรามีสติในการฟังเนี่ยนี่ก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะธรรมะนี่มันก็จะเข้าไปแทนที่ความนึกคิดของเราความปรุงแต่งในจิตของเรา ธรรมะมันเข้าไปแทนเข้าไปแทนเข้าไปแทนจิตของเรามันก็ลื่นเลงบันเทิงเบิกบานอยู่ในธรรมะเพราะธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องของเรานี่แหละเป็นเรื่องของเราโดยตรงนี่แหละเพียงแต่ว่ายกเอาคนอื่นมาเป็นประจักษ์เป็นหลักฐานเป็นพยานเป็นประจักษ์พยานให้แก่เราว่าเอ อ, อผู้ที่บรรลุก่อนเราเนี่ยก็คือแต่ก่อนก็เป็นเหมือนเรานี่แหล ะ, ะเป็นผู้ทชนธรรมดา ลุ่มหลงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าอาศัยจิตใจที่มุ่งที่จะแสวงหาทางออกให้แก่จิตใจก็หันมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะถ้าใครรู้ทางเดินคือทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนั้นมีทางที่จะออกจากทุกข์เพราะทางสายอื่นน่ยมันไม่มีหรอกที่จะทำให้ออกจากทุกข์ได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระ อ, องค์นี้สร้างบา ร, รมีเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเพราะพระ อ, องค์ทรงเห็นทุกเห็นว่าเออคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์แล้วก็เวลาจิตใจของคนเราเวลากระทบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลุ่มหลงไปมีเรามีตัวเราขึ้นมามันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาคือมันไปยึดอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเราก็ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ทําให้เราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ตลอด พระ อ, องค์มองเห็นนะพระ อ, องค์ก็เลยสร้างบา ร, รมีเพื่อจะออกจากทุกเหล่านี้พอพระ อ, องค์ตัดสรู้แล้วเนี่ยรู้ทางแล้วเนี่ยก็มาประทานคําสอนเอาไว้นอกนั้นจริงไม่มีศาสดาอื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุในอริยสัจสีนี้แจ้งชัดในธรรมตรงที่จะทําให้คนทนทุกข์ได้เพราะนั้นเมื่อเรามาที่นี่แล้วถ้าว่าใครนะ พอมาถึงแล้วว่าเออธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ทำให้พ้นทุกข์ได้จริงโดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์แปเป็นทางเป็นข้อปฏิบัติด้วยการทําจิตของเราให้เป็นกลางได้ถ้าทําให้จิตเนี่ยมีสัมมาสติเกิดขึ้นมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมีสัมมาวายาม ะ, ะก็มีสั ม, มาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้ก็มีสัมมาวาจาสัมมากรรมโตส ม, มาชีวเนี่ย รวมเข้ามาเป็นที่จิตใจของเราเนแล้วก็ทำให้จิตใจมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตั้งมั่นเพราะอาเีย ม, มารกมีองค์ไส้เนี่ยคือเรียกว่าทางทางเดินของจิตถ้าหาว่าจิตของใครนะพอมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไอ้ไอ้ความรู้สึกของจิตเนี่ยมันจะออกรู้ได้มันขยายความรู้สึกออกมามันก็ต้องฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆนะ ถ้าใครยังไม่สามารถที่จะขยายความรู้สึกออกมาเห็นกายเวทนาจิตธรรมได้เนี่ยก็แสดงว่าจิตยังไม่มีกําลังพอเรายังปฏิบัติน้อยอยู่แต่ถ้าใครเนี่ยเหมือนกับว่าเออโชจิตมันแน่วแน่แล้วมันอยู่กับตัวแล้วเราเอาจิตเราเนี่ยเริ่มมองดูกายก็คือเอาความรู้สึกเราอะ่ะไปตรวจสอบดูร่างกายถ้าหาว่าใครกําลังไม่พอมันไม่ออกนะมันนิ่งเฉย อ่น น, นี่คือมันยังเรีนสมาธิแต่ว่ามันออกไม่ได้ก็ต้องฝึกนะฝึกจนมันออกได้แต่ถ้าใครพอบอกว่าเออเอาความรู้สึกไปดูกายไอความรู้สึกนี่มันวาดมาที่ร่างกายได้มันรู้สึกได้เลยว่าร่างกายเรานั่งอยู่ยังไงเนี่ยอันนี้เรียกว่าดูทั้งก่อนที่มาสำรวจหรือดูตรงจุดนั้นจุดนี้ได้จ่อไปตรงนั้นจ่อไปตรงนี้ได้อันนี้เรียกว่ามาดูกายหรือดูลมเนี่ยอ่าบางคนก็ดูลมแค่ลมเข้าลมออกอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเหมือนกัน อย่างนี้ถ้าหาว่าเรามาจาะเข้ามาที่ร่างกายเราเนี่ยไม่ให้จิตไปไหนเนี่ยอันนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่าให้มีสติตามดูกาย ร, รู้เรลยกว่าพิจารณากายพิจารากายในกายเนืองเนืงมีความเพียรมีสัมปะชญญามีสติกําจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้เพราะฉะนั้นหลักของการปฏิบัติเนี่ยอริยมรรคมียร์แในบางทีก็พูด เข้ามาต้นทางของการปฏิบัติจึงพูดด้วยเรื่องของสติปัฐาน4เพราะมันพูดง่ายแล้วปฏิบัติง่ายถ้าพูดยมักเดียวแปเนี่ยมันเหมือนอีกคนอีกระดับหนึ่งละหมายว่าคนที่จิตมันเริ่มอยู่กับตัวเองแล้วพูดมักเข้าไปเนี่ยมันก็จะตรงกับความรู้สึกของคนนั้นได้แต่ว่าถ้าคนเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าพูดต้นทางแลยมันง่ายว่าเออมีสตินะให้ควบคุมจิตเอาไวนะ้นะแล้วก็ให้รู้ตัวนะจะเอาจิตมาอยู่ที่กายก็ได้ พอจิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าไม่มีเครื่องอยู่เดี๋ยวมันก็ไหลออกไปข้างนอกก็ต้องให้มัอยู่ที่กายหรือว่ามีเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องมาดูเวทนากายเวทนาตามดูเวทนาในเวทนาหนึ่งๆมีความเพียรมีสัมปชญัญญะมีสติกําจัดความยินดียิร้ายในโลกนี้เสียได้มีสความสาคัญก็คือว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดความยินดียิร้ายในโลกนี้เสียได้ ไม่ให้จิตไปยินดีลไรนี่แหละคือจิตเป็น ก, ากลางๆเพราะฉะนั้นจิตเวลามันเจ็บขึ้นมาอุ้ยมันหงุดิดขึ้นมาก็ต้องรักษาจิตให้เป็น ก, ากลางๆไว้มีมันมาแก้มันมาเอาชนะความไอไอไอความวุ่นวายในจิตเนี่ยที่มันหงุดิดมันลำคาญบ้างบางที่โกรธเลยนะบางคนนี่บอกเลยปฏิวัติไม่ได้เลยโกรธเพราะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บพราทนไม่ไหวโกรธขึ้นมายิ่งโกรธมันก็ยิ่งปฏิบัติไม่ได้มียายคนหนึ่ง โอเขาเรียนอภิธรรมนะจบอภิธรรมบัณฑิตเลยนะเขามาปฏิบัติด้วยอ่ะทีนี้เวลาเราสอนเราก็สอนง่ายๆเอ้าเอานะให้ตั้งใจปฏิบัตินะให้พอใจปฏิบัติเท่านั้นนะไม่ต้องอยากสงบนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สงบนะไม่ต้องอยากได้อะไรเลยนะให้สบายขอว่าให้ได้ปฏิบัตินะเราเคยปฏิบัติได้ผลมายังไงก็ไม่ต้องสนใจนะให้มันแล้วไปเลยนะคนอื่นเป็นยังไงก็แล้วไปนะเป็นเรื่องของคนอื่นนะ ให้เราปัจจุบันเลยเอาเดี๋ยวนยีน้เลยทำง่ายๆทำสบายๆไม่ต้องไปยินดียินไล่นะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรนะขอให้เราได้ปฏิบัติขอให้เราพอใจที่เราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าเขาทำตามไปทีนี้ทีนี้เขารู้จักวิธีปล่อยวางอ่ะพอนั่งไปพานั่งตั้งชั่วโมงหนึ่งแกไม่ขยับเลยพอออกมาแล้วโอ้โหก้าหารชาญชัยมากเลยแกสารภาพเลยว่าแก ปฏิบัติไม่ได้มาสิบปีแล้วเพราะแกโกรธแกรู้หมดแล้วนี่อภิธรรมนี่รู้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราเลยอ่ะแต่ว่ามันทําไม่ได้สิเวลามันเจ็บมาเราเจ็บทีนี่โดยไม่อยากเจ็บขึ้นมาก็โกรธเพราะโกรธแล้วใจก็เสียท่าเลยทีนี่ถูกความโกรธครอบงําแล้วเนี่ยแหละเรียนแต่รู้แต่ชื่อของสภาวะแต่ไม่เห็นตัวสภาวะจริงๆเพราเห็นแล้วก็ มันก็ไม่ว่างแล้ววางไม่เป็นแล้วเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมของเราเนี่ตรงเลยมายังสถานที่ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วธรรมะของมุญเจ้าก็สอนสอนแบบเดียวกันนี่แหละคือให้รักษาจิตเป็นกลางๆลางไหมไปไปยินดียินร้ายกับอะไรเสียงนกร้องร้องไปเราไม่สนใจเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมากแล้วไปเสียงคุยกันบ้างอะไรกันบ้างเราจาะเข้ามาที่นี่ให้จิตเราเป็นกลางกางเอาไว้จิตเป็นกลางกลางนี่แหละ เขาเรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางนี่เป็นทางของจิตถือจิตไม่ไปทางยินดีทางอยากได้นู่นได้นี่ไม่ไม่เป็นไรอันนั้นอันนี้วางหมดหรือยินร้ายโกรธเครื่องงุดจิตลำคาลเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางไม่เอาให้เป็นกลางกลางนี่มันก็ต้องกลางแล้วสติเราก็ต้องดีด้วยต้องมีสมาธิด้วย สมาธินี่มันเด่นขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นกลางได้ตัวสตินี่คอยประคองดูอยู่เฉยๆรยู้เฉยๆทีนี้เมื่อสติมันมีกำลังขึ้นมามีสัมผัสชัญญาะขึ้นมามันก็จะขยายความรู้สึกนี้ออกไปรู้กายรู้เวทนาเมื่อกี้นี้พูดถึงเวทนาว่าไอ้เวทนาเนี่ยเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ชอบใจใจของเราธรรมชาติของใจเราเนี่เราอยากเอาสุขเอาสบาย ไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดมันจริงอยากขยับปั๊บขึ้นมาทันทีนะรวดเร็วเลยนะแล้วความเจ็บนี้มันมีการอาการเสียแทงด้วยนะเพราะเวทนาเนี่ยมันจะเสียแทงจิ๊บถ้าว่ามันเจ็บเฉยๆนะถ้าเรารู้ว่าเจ็บเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเนี่ยมันจะทนได้มันจะปล่อยวางความเจ็บได้ถึงมันจะแป๊เข้าไปมันก็แป๊แล้วมันก็จะผ่านไปเลยไม่ใช่มันไม่แป๊บนะแป๊บเหมือนกันทนได้ยากเหมือนกันคือความทุกข์เนี่ยมันทนได้ยาก เวลามีเวทนาขึ้นมามันยินทนได้ยากพอทนได้ยากจิตมันก็กระสับกระส่ายกระวนกวายมันมันไม่อยากมีทุกข์มันอยากเอาสุขเอาสบายแต่ว่าเรารู้ทันเราก็ต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายรักษาจิตเป็นกลางๆได้เราก็จะมองเห็นเวทนาได้ก็จะรู้ว่าเออหนะ้าตาเวทนาเป็นอย่างนี้เองเหรอเอามันเจ็บมันปวดก็เรื่องของเวทนานี่นะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักหน่อย ไอ้เวทนาก็เลยเป็นเครื่องมือฝึกจิตเลยที่นี่ใช่มันไม่สบายเพราะว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ใช่สุขเวทนาถ้าสุขเวทนามันก็มาในรูปของสบายสิมันก็ทนได้ง่ายคำว่าสบายมันสุกอย่างนี้คือทนได้ง่ายนะมันก็ยังทนอยู่ล่ะทนได้ง่ายไม่ใช่ว่ามันจะมันจะไม่มีทุกข์นะมันก็ยังมีทุกข์อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันทุกข์น้อยยมันทนได้ง่ายกว่าไอ้ทุกข์นี่มันทนได้ยาก พอมันดีบมันคั้นจริงๆมันก็เรื่องของร่างกายแต่ว่าอจิตของเราที่ไม่รู้เนี่ยมันไปยึดเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราอยากฝึกจิตเวทนามาก็อา้าวถ้าพอทนได้ก็ลองทนดูเราประโยชน์จากเวทนาก็ได้พระเจ้าก็บอกแล้วเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานหรือว่าเวทนาสุเวทนานุปสนสัปสศีอย่านั้นอาตาปีสัมปัญโนสติมาวิเนโยเกยียิชาโทมนาสัง พี่นาเวทนาในเวทนานิมเนืองมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติละความยินดียินไล่ในโลกนี้เสียได้เราก็เวทนามาฝึกได้เนี่ยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออมันมันฝึกแล้วมันรู้สึกมันเอาไม่อยู่อ่ะมันหยุดหยีบมันลำคาญมันทนไม่ไหวหลางกายก็ไม่ดีไม่เจ็บปวดรวดนเล้ามันทรมานมากมันไม่ไหวไม่ได้ประโยชน์ถ้าเราก็เปลี่ยนได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับ แต่ว่าเพียงแต่นาเสน อ, อตามพระพุทธเจ้าสอนว่าเออถ้าเวทนามาเนี่ยก็ลองดูอย่างน้อยก็ได้ฝึกความอดทนได้ฝึกกำลังของจิตใจแล้วก็หรือว่าฝึกปัญญาเลยฝึกปล่อยฝึกว่างแล้วพี่เ้าก็รับรองเลยว่าเวทนานี้รั้สั้นที่สุดเลยในสติปัฏฐานทั้งสี่เวทนาชัดเจนที่สุดรั้สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใคร รู้สึก ว, ว่าวิธีอื่นอะ่ะเ อ, อมันไม่ค่อยได้ผลอะ่ะลองดูเวทนาแต่ว่าต้องอดทนสูงมากเลยนะเพราะมันได้ต่อสู้แต่ว่าถ้าใครสู้ได้นะรู้สึกว่ามันมันเหมือนว่ามันมั่นใจอะ่ะมันไม่ได้ถูกหลอกลวงด้วยความนึกคิดอะไรเพราะว่ามันผ่านของจริงจิตที่ผ่านพ้นไปได้เนี่ยมันทูดได้ พูดได้โดยที่ไม่กลัวความผิดพลาดเพราะว่าพูดออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองจากประสบการณ์ตรงแต่ได้ยินได้ฟังว่าเออใครผ่านมาอย่างไงเนี่ยคือมันจะเข้าใจไปเองอะ่ะ เ, เขาผ่านมาอย่างนี้คนนั้นผ่านอย่างนี้ผ่านอย่างงี้อแล้วมันก็จะเข้าใจไปเลยว่าเออถ้าหากว่ามันผ่านเนี่ยผ่านในที่นี้ไหมเพราะว่าจิตมันไปถึงระดับของมันอ่ะบรรลุมรรค โซดาบันปฏิมักอย่างนี้ยมันก็จะมีสภาวะบางอย่างคิดตรงกันอยู่ถึงรายละเอียดแตกต่างกันบ้างแต่ว่ามีความตรงกันที่มันเห็นความจริงประจักษ์ใจเห็นความจริงที่มันจิตที่มันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานี่แหละเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นกระแสก็เกิดดับไปเฉยๆมันนี่อะไรควรหลงควรยึมั่นถือมั่นนะมันก็จะเป็นอย่างเดียวกันดูจิตก็เหมือนกันน่ะ ไอ้จิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันอยากขยับมันหนุดหิดมันลำคาญดูมันเข้าไปเดี๋ยวก็ดับไปให้เห็นน่ะถ้าใครเห็นมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มันเองจะเห็นกระแสชีวิตของเราด้วยบ่าเออเนี่ยชีวิตของเรานี่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันแค่กระแสความเกิดอ่ะหรือมันไม่ถึงชัดขนาดนั้นก็ตามอ่ะมันก็ค่อยปล่อยวางเรื่อยไปเรื่อยไมันก็จะค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ หรือมันเห็นว่าออนี่ไม่ใช่ของเรานะดูกายก็ตามดูเวทนาก็ตามดูจิตก็ตามพอมันปับ๊บเห็นว่าไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเกิดดับอย่างนี้มันดูธรรมนะเนี่ยดูธรรมเลยเขาเรียกว่าธรร ม, มานุ ป, ปัสสนารรสติปัฏฐานก็ได้เพราะนั้นพระเจ้าจึงสรุปว่าทุกให้กาหนดรู้คำว่าทุกในทีน่นี้เราก็จะคิดถึงแต่ว่าทุกใจมีแต่เรื่องราวบีบคั้นจิตใจ เวลาเราพูดกันก็พูดทุกทุกมันไหมมันว่าบีบคั้นใจแต่ว่าในความหมายจริงๆของพระพุเทธเจ้านั้นทุกเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ว่างเปล่าก็ได้สิ่งที่ไร้สาระก็ได้สิ่งที่ไม่มีแก่นสารก็ได้ไม่มีตัวตนก็ได้สิ่งที่บีบคั้นก็ได้สิ่งที่ทําให้ทุกทรมานก็ได้สิ่งที่บีบคั้นจิตใจทําให้ทุกทรมานก็เป็นทุกชนิดหนึ่งเหมือนกัน ความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ยก็เป็นทุกข์เหมือนกันบีบคั้นกายบีบคั้นใจเนี่ยก็ทุกข์แต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสุดท้ายอย่างร่างกายเราเนี่ยมันเป็นแค่สภาวะทุกข์อันหนึ่งคือมันเป็นทุกข์แล้วมันก็เสื่อมสิ้นสลายไปสุดท้ายไม่มีอะไรความไม่มีอะไรในที่เนี้ยท่านก็เรียกว่าเป็นสภาวะทุกข์อันหนึ่งเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน หรืเป็นสิ่งที่น่าเกลยียดน่าเกลยียดตรงที่ว่ามันไม่มีตัวตนอะไรเหมือนมีแต่ไม่มีอ่ะมันมีอยู่ชั่วคราวแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีมันก็เลยน่าเกลยียดเหมือนมันหลอกลวงเราอ่ะทําให้เราหลงว่ามีเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเราแต่สุดท้ายมันต้องตายไปอ่ะมันต้องสลายไปอ่ะจะ camp, ิตใจเป็นแค่นามาทำเฉยเฉยอ่ะถึงมันจะนิดจะคิดจะปรุงจะแต่งอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ ไปตามกรรมของมันไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราแล้วก็เป็นนามธรรมด้วยไม่มีตัวตนจริงโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาเข้าถึงความจริงอันนี้จะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยนะไม่มีเราอะไรเลยนะมันจึงไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไระมีชีวิตอยู่ไปถ้าถึงเวลามันจะตายก็าตายไปไม่บั่นไหวอะไร ถ้ามีชีวิตอยู่ก็ทําความดีเลื่อนไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าผู้ที่อมองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราแต่สิ่งที่อยากให้คนรับรู้ก็คือว่าอยากให้รู้แบบเดียวกันนี่แหละปัญหามันจะได้หมดไปมันจะไม่มีปัญหาทางจิตใจมันจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้มาเข้าออเข้าใจเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อพระ อ, องค์ตัดสูร์แล้วเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเลยอะชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเอง อย่างกล้างกายเหล่าเนี้ยขันห้าเนี้ยสุดท้ายมันก็ต้องแตกดับสลายไปจริงมันไม่ใช่เราจริงเป็นเราชั่วคราวเหยๆด้วยอำนาจของความหลงเราก็หลงยึดขันห้ามาเป็นเราเป็นของเรามันหลงมาเมื่อไหรเราไม่รู้เลยนะอันนี้พู้เจ้าก็ไม่บอกให้ไปสนใจเลยอะ่ะเพราะมันหลงมายาวนานมากจนไม่รู้ว่าหลงเมื่อไหรเหมือนถามว่าเออมื่อเช้าเนี่ย คุณเริ่มเดินนคุณก้าวขาไหนก่อนอย่างนี้เรานึกไม่ออกเมื่อวานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณทําอะไรบ้างมันก็ลืมไปอ่ะคือมันหลงอ่ะมันหลงไปหลงหลงลืมลืมไปอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันะว่าความหลงนี่เมื่อไหร่แต่รู้ว่าความหลงนี่แหละมันเป็นต้นตอทําให้เราเป็นทุกข์เมื่อเราจะออกจากทุกข์เราก็ต้องมาแก้ความหลงตรงนี้นี่เอาตรงนี้เลย เพราะไม่งั้นแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดบนเวียนอยู่ในวัฏฏะทุกเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาประกาศสัจธรรมที่นี่เราก็ได้พูดถึงอนุปุปิกถาแล้วก็โยงมาถึงธรรมจักรประวัตตนสูตรก็คือว่าเรื่องสําคัญว่าพระุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้หลงไปในทางกรรมสุขอะ่ะคือไปหลงยินดีจะเอานู่นเอานี่มาทำให้ตัวเป็นสุขอะ่ะเอาลูกเสียงกิดนัดสัมผัสอะไรมาทำให้ตัวเป็นสุขอะ่ะเนี่ย อันนี้แหละนี่แหละเรียกว่าไปทางยินดีการมสุขขาริการนุโยกคือมุ่งแต่เอาเอากามสุขเอาเงินเอาทองเอาข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยเอารถเอานุ่นเอานี่มาทำให้ตัวมีความสุขอ่ะอย่างนี้มันสุกน้อยแต่ทุกข์มันมากโทษมันมากผู้เจ้าให้เห็นโทษของมันเพราะนั้นไม่ควรเดินไม่ควรเสพแล้วทางที่จะอัตตกรรมฐานนุโยคจะ ให้มันได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพอไม่ได้ใจก็ยินร้ายขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ไม่ควรเสพหรือทั้งรวมทั้งการทรมานร่างกายเพื่ออยากให้ได้ดังใจของเราทั้งหมดอ่ะหรือที่เรียกว่าอัปตะกินธมทานุโยกก็ไม่ควรไม่ควรเสพไม่ควรเดินสรุปแล้วก็ไม่ควรให้เดินทางยินดียินร้ายต้องมาเดินทางสายกลางก็คือมาปฏิบัติตามแนวอริยมรรคเปียวแปดมีสติรักษาจิตจิตเป็นสมาธิทําให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลาง จิตตั้งมั่นเป็นกลางนีคือมันไม่ถล่มไปตามลมทั้งหลายนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันเป็นกลางอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดมันจึงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าใครเห็นอย่างนี้นั่นแหละคือเป็นเพราะมีอริมัสมีองแปดอยู่ในจิตใจแล้วการที่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเนี้มีเรียก ว, ว่ามา ด, ดิทุกเรียกว่าเห็นอริยสัจสีล่ละ เนว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้พอมันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยมันจะแค่มองดูจิตมันก็จะมีสภาวะธรรมของความเกิดดับนี้แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ่านมาแล้วต้องผ่านไปเกิดและต้องดับไปเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปพอยานวิปัสสนาญาณมันแก่กล้าหรือปัญญายาณแก่กล้าเนี่ยแค่มองเข้าไปหาจิต อะไรผ่านก็มาวัาเนี่ยมันจะมีสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนยุกยิกยุยบางคนก็บอกไม่รู้อะไรอ่ะมันยุกยิกยุยยกยอะเอออานนั้นน่ะน่นคือมันแสดงความเกิดมันเป็นยานอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตมีเห็นว่าเอ้ยยึดอะไรไม่ได้เลยเกิดมาแล้วต้องดับไปผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยพอประวัติไปแก่ก้าขึ้นแก่ก้าขึ้นเนี่ยมันจะไม่สนใจว่ายุกยิกหรือไม่ยุกยิกแล้วที้มันมองแต่ว่าอะไรก็ตาม สิ่งทั้งหลายที่มันผ่านมาและต้องผ่านไปเกิดและต้องดับเท่านั้นเองแล้วมันจะตัดสินเลยสรุปลงไปนี่มันจึงสามารถบรรลุธรรมได้เพราะจิตนี่มันสรุปของมันอยู่สรุปนี่แหละเขาจริงเรียกว่าบรรลุอริยมรรคถ้าบรรลุครั้งแรกเขาจริงเรียกว่าโสดาปฏิมรรคเดี๋ยวบรรลุแล้วมันก็มีผลตามมาเขาเรียกว่าโสดาปฏิผลจริงว่าบรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลก็คือเห็น เห็นสภาวะธรรมเห็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเนเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ามันเร็วเข้าเร็วเข้ามันก็เลยเหมือนว่ามันเกิดดับไปเมื่อแค่เกิดดับสุดท้ายมันไม่สนใจว่าเกิดจะเกิดหรือจะดับมันไม่สนใจตรงนั้นแล้วมันสนใจแต่ว่าทุขสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติมันลงสู่ธรรมชาติมันลงสู่ธรรมที่แท้จริงแล้วแล้วก็ตัดสินลงไปนี่ว่าอริยมรรตมันตัดสิน ในขณะที่มันเห็นชัดแจ้งเนี่ยเมื่อเห็นทุกชัดแจ้งเหตุแห่งทุกมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นแล้วว่ามันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่มีเรามันจึงมาพร้อมกันเลยนะเวลาอเยสสีมีกําลังมันจะมาพร้อมกันเลยเหตุแห่งทุกก็ไม่มีทุกก็ดับไปจากจิตเป็นนิโรธอริยมรักก็รวมเข้ามาหาจิตหมดเลยเพราะฉนั้นเวลาผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยอเยสสีเป็นหนึ่งขึ้นมาเลยมรักก็เป็นหนึ่งอาเยสสีเป็นหนึ่ง สติปัฏฐานสี่เป็นหนึ่งหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาจิตหมดเพราะนั้นจิตมันจึงสรุปตัดสินลงไปว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเรไม่มีตัวเราจิตก็ไม่มีอะไรจุงแต่งจิตจากนั้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนมันมันเข้าไปสู่ธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนในโลกกระธาตุอันนี้ไม่มีอารมณ์นั้นอยู่เลยอ่ะมันเหมือนกับอ่าอันนี้มันก็อธิบายไม่ได้แต่ว่า มันเห็นประจักษ์อยู่ที่จิตใจถ้าผู้ที่เข้าถึงเนี่ยก็จะพอฟังออกว่าเออมันมั น, ม, นมันเหนือคำบรรยายละนี่แหละสิ่งที่พระเจ้ามาประกาศมาแสดงธรรมตรงนี้ที่เรามานั่งตรงนี้ก็ให้เราได้น้อมจิตใจบูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้อัศจรรย์มากถ้าไม่มีพระองค์เนี่ยเราจะไม่รู้ทางสายนี้แน่นอนเลย เราไม่รู้จะเวียนไหวตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่อย่างนี้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การกันทางออก้อคงจะไม่มีแต่วันนี้เรามายังสถานที่ที่พระองค์ประกาศธรรมจันทร์ครั้งแรกหรือว่าประกาศธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ครั้งแรกและก็มีผู้ที่บรรลุตามพระองค์ครั้งแรก แล้วก็หลายหลายคนตามมาแล้วพระองค์ก็สอนแตกต่างกันไปไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะว่าเวลาพระองค์สอนเนี่ยพระองค์ก็สอนตามอัถยาศัยจึงมีพระสูตรหลายพระสูตรแต่ทุกพระสูตรก็คือมาจากนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่ากระจายออกไปเฉยๆอย่างเราเปรียบเทียบว่าเออพระยศาสุรบุตรเนี่ย พระองค์ก็เริ่มด้วยอันุบุญที่กถาพอพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปถึงอริยสัจสีเนี่ยให้ทุกให้กําหนดรู้ให้ดูเข้าไปจิตของพยาสานี่มันพร้อมแน่นี่มันก็ปุ๊บมันก็มองดูขันห้ามองดูว่าทุกให้กําหนดรู้ท่านก็รู้เลยว่าอ๋อมันไม่ได้มีอะไรเลยอะอย่างเข้ามาจิตเนี่ยมันทุกมันก็ดับไปโดยเฉพาะคนที่กำลังมีทุกทางจิตใจะมันก็ดับไปให้เห็นน่ยมันก็ไม่มีอะไรเลย เหตุแห่งทุกข์ก็คือจิตของเรานี่แหละที่ไปเป็นมีอุปทานไปยึดหนุ่นยึดนี่เอาเข้ามาบีบคั้นจิตใจทําให้จิตเป็นทุกข์อย่างร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเออร่างกายเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเ่ยเราไปยึดว่าเป็นเราเจ็บเราป่วยเราไข้มันก็มาเดือดร้อนที่จิตของเราเนี่ยเพราะเราไปยึดมันที่จริงร่างกายก็เป็นร่างกายสิอย่างมันเจ็บมันปวดเนี่ยมันก็เอาเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยจิตมันก็มองดูเฉยๆได้เนี่ยจิตก็ปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกข์อ่ะทุกข์ก็ท เก็มันธรรมดามีร่างกายมันก็ต้องมีทุกเมื่อมีมาเกิดแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนี่ยก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยเราทําใจได้ไหมถ้าทําใจไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ถ้าทําใจได้มันก็ไม่ทุกข์มันก็อยู่ที่การทําใจของเราเนี่ยการที่จะทําใจได้มันก็ต้องมาฝึกหัดเพรา ะ, ะนั้นพญาศรรัตกดิ์บุญเนี่ยพอฟังทำเรื่องยศศีปับนนปป๊บท่านก็น้นจิตพิจิตปั๊บเข้ามาดูตัวเองปับ๊บ มันก็เข้าสู่กระแสธรรมของพระเจ้าแล้วพอพระเจ้าสรุปปั๊บอย่างเงี้ยก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลเสร็จแล้วพ่อก็มาตามพ่อมาตามเนี่ยพระเจ้าก็อาศัยอนุภาพของพระ อ, องค์ะไม่ให้พ่อเห็นลูกเพราะถ้าเห็นแล้วเนี่ยกลัวจะเสียโอกาสเพราะว่าพ่อก็มีนิสยัยอยาบรรลุพระโสดาบันเหมือนกันแล้วพระเจ้าก็สแสดงอนุบิวคาถาซ้ําเป็นครั้งที่สองยศกุลบุตรฟังปั๊บก็บรรลุเป็นพ่ออหรหันต์เพราะนั้น พระสูตรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอัธยาศัยเมื่อเราฟังเราอ่านพระสูตรหรือศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าอัธยาศัยของเราเป็นยังไงเราก็ฟังไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยทำความเข้าใจไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยวันใดวันหนึ่งต้องมีบ้างที่เราจะเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเราจะสรุปแล้วนะสํารวมจิตใจนะเพราะว่าเราดีเราจะเลิกละอันนี้เขาก็เป่านกหวีดแล้วก็มาเตือนละ วันนันเราสรําวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะบูชาพระพุทธเจ้าเลยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วเราจะเลิกแล้วเอากายเอาใจปฏิบัติบูบบชาอย่างเดียวเลยเหมือนทิ้งกายทิ้งใจของเราตามคําสอนของพุทธเจ้ายอมรับความจริงให้ได้ว่าร่างกายนี้สุดท้ายต้องตายทําเหมือนไม่ใช่ของเราจิตใจก็เป็นนามธรรม มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งก็ชั่วคราวเฉยๆเดี๋ยวก็ดับไปผอไม่เอาอะไรทั้งนั้นมองดูเฉยๆยพยายามที่จะดูเฉยเฉยให้เห็นว่าร่างกายก็อยู่ไปตามธรรมชาติอย่างนี้แหละสภาวะทางจิตใจมันก็ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นกลางๆถึงพระนิพพานก็คือจิตมันมันไม่จีงแต่งอะไรมันเป็นกลางๆหมดแล้วเราก็ทํา อาศัยคำสอนขขงพู้เจี่มาแล้วก็ยกกายยกใจเราบูชาเลยทำตามมองดูเราอย่างนั้นพยายามทำอย่างนั้นเอานะจากนั้นนะให้เราตั้งปณิธานนะอาศัยสถานที่ที่มีความสำคัญแห่งเนี้ย เป็นประจักษ์เป็นพยานถึงความในใจของเรานะเหมือนว่าเราอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสัทธรรมเป็นครั้งแรกนี้เป็นหลักฐานแทนพระพุทธเจ้าเหมือนกับพูดกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพูดกับสาวกของพระโอ์ที่ผ่า น, านมาว่าเราเนี่ยมีปณิธานอะไรว่าเราจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า เรื่อยไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารนี่อย่างนี้ก็คุ้มค่าแล้วกับการที่เรามาในครั้งนี้หรือว่าเราจะมีอะไรที่มันขัดข้องเราอยากจะสลัดไปทิ้งไปเราก็อาศัยสถานที่แห่งนี้เหมือนกับมัดเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอาเมะเราจะสลัดไปทิ้งไปพูดไป แล้วจากนั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญนะสุดท้ายแล้วอุทิศบุญนะความอำนาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งแผดิจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้าคกำนายนของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณนี้ ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับอาบุญของขา้าพเจ้าเบอรเถิดเมื่อรับอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดคอยสมความปรารถนาด้วยอํานาจแห่งบุญที่ขา้าพเจ้าได้ยินที่แหงแล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเท่านัน้นขา้าพเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรืน่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญงูเงือกให้ยิ่งขึ้นไปเรืเอยๆขา้าพเจ้าจัดมั่นทำบุญแล้วก็อธิบุญไปให้เรื่อยๆไป แล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนบุญออกไปจากใจเราเลยนะ